แนะนำบทอับบาซาบทอับบาซาเป็นบทมักกียะห์มี 42 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมซึ่งได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอร้องท่านให้สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรชคณะหนึ่งที่ท่านกำลังเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลาม ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้เค้าอัลกุรอานจึงประทานลงมาตำหนิท่านและบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของเค้าทั้งๆที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอัลลอฮ์ได้มีต่อเค้าต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาลนี้โดยที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้ต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงความน่ากลัวของวันกิยามะห์มนุษย์จะหนีไปจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกและได้ชี้แจงถึงบรรดามุฮัมมิดผู้ศรัทธาและสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ عبس وتولى ان جاءه الاعمى เขามุฮัมมัดทําหน้าบึ้งและผินหลังไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขา وما يدريك لعلّه يزكّى او يتذكر فتن تعه الذكرى และรายเล่าที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อสักฟอกจิตใจก็ได้ หรือเพื่อรับคําตักเตือนเพื่อที่คําตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาอัมมามันอิสตัฆนา فان تلهو تصد وما عليك الا يا الزكاة ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าการที่เขาไม่ซักฟอกวะอันมามันจาอากะยัสอะวะฮูวะยัคชาฟา ตั่หะนฺนะฮูตะละฮาละซวนฟูตีมาหาเจ้าด้วยความมานะพยายามและเค้ามีความเกรงกลัวเจ้ากลับเมินเฉยเสียมิใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ ดังนั้นผู้ใดประสงค์จะให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้นซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยมือของมลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรมกุตีลัลอินซานมาอักฟะระห์ มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียได้ก็ดีเค้าชังเนรคุณเสียนี่ก็ไรจากสิ่งใด ขلقه มินนุฏฟะฮ์ตินคละกะฮูฟะกดะระจากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเค้าแล้วก็กําหนดสภาวะแก่เค้าซุมมัสซะบีลัยัสซะเราะซุมมะอะมาตะฮูฟะอักบะเราะและพระองค์ก็ทรง เข้าถานให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลุมลามะอิดาชาอันชะระและเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็สอยเขาฟื้นคืนชีพกัลละลัมมายักดิมาอัมระไม่ใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขาตะลีรุรอินซานอิลาตออามิ มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิเราได้หลังน้ําฝนลงมามากมายอย่างไรซุมมะชะฏฏะตุนอัลอัรฎอชักกอนฟันบัตนาฟีฮาฮับบาแล้วเราได้แยกแผ่นดินออกแล้วเราได้เมล็ดพืชงอกออกจากแผ่นดินวะอีนะบันวะกดบาและ anggur และพืชผักวะซัยตุลูนวะนัคหลาลัมกอไลนทะผลัมวะฮะดะอิกอุลบะวะฟาคิฮะตุวะอับาและเรื่องสวนอันมากมายและผลไม้และทุ่งหญ้ามะตาอัลละกุมวะลินอามิกุมทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า 칸เมื่อเสียงกัมนาทมาถึง يوم ما يفر المرء من اخيه وان يفر كل من جنى عن اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بني لهذا عن แม่ของเขาและพ่อของเขา و صاحبته و بني له كل لم منهم يومئذ شأنه يغني สําหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้ว ووجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสโผร้อดีใจร่าเริง ووجوهي يومئذ عليها غبرة تظهرها قترة หลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ ความมนมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้นอูลากะฮุมุลกะฟเราะตุลฟัจเราะชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว